ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ขอมาพบกับท่านและพกบกับลูกหลานทุกคนความจริงลูกหลานทุกคนให้เป็นคนน่ารักทั้งๆ ท, ที่ไม่เห็นหน้ากันแต่ว่าใจมันรักรักพ่อะอะไรเพราะว่ารักว่าลูกหลานเป็นคนดี กำลังตั้งใจฟังเรื่องราวของชาดกถึงแม้ว่าคนบางคนเขาจะบอกว่ามีคนสร้างกันทีหลังก็ช่างเขาเรื่องราวต่างๆที่เราฟังลูกหลานที่รักถือเหตุถือผลเป็นสำคัญเรื่องที่ก่อนเราเกิดเขาเล่ากันมาเราจะหาว่าไม่จริงก็ไม่สมควร ถ้าจะรับรองว่าจริงก็ไม่สมควรอีกเหมือนกันเพราะาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่องค์สมเด็จตสมมาสมพุทธเจ้าเองก็ทรงแนะนำว่าอาคาตาโรตถาคตาตาถาคตเป็นเพียงผู้บอกจะดีหรือไม่ดีอาศัยที่พวกเธอเท่านั้นทำกันเองเรการที่ตาถาคตพูดไปนี่ขอเธอทำลายอย่าเพิ่งเชื่อ รับฟังแล้วก็ลองไปประพฤติปฏิบัติถ้ามันไม่ดีจริงตามที่พวกก็จงอย่ายเชื่อถ้าดีจริงจริงค่อยเชื่อมาตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถามะกัมมันดาพราะทั้งหลายมีพระสารีบุตรนั่งอยู่ด้วยพอตรัสจบแล้วพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรตดดูก่อนสารีบุตร ที่เราพูดมานี่เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรว่าจะกราบทูลว่ายัางไม่เชื่อก่อนพระพุทธเจ้าค่ะบรรดาพระทั้งหลายที่เป็นปุถุชนเธอรู้ไม่ทันพากันประนามพระสารีบุตรต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาว่าพระสารีบุตร ท, ทนองตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่อง ว่าเป็นอากาศสาวกเบื้องขวาฉลาดด้วยปัญญากลับมาโต้ตอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่เชื่อถือว่าถือเนธนองตนเกินไปฉะนั้นองค์สมเด็จไระจอมตรายเขียงที่บอกให้พระหยุดก่อนถามเหตุผลของภาษาลีบตทก่อน สมเด็จพระจินวรนจึงได้มีพระรรรพุทธตีการแต่ภาษาลิบุตรภาสาลีบุตรตดูก่อนสาษีลบุตรที่เธอไม่เชื่อนั้นหมายความว่าเธอมีความประสงค์อย่างไงาารภาษาลิบุตรที่นิกราทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภะขวาวฆาแต่องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าถ้าหากว่า ไ้อยคำที่พระองค์ทรงจัดมาถ้าข้าพระพุทธเจ้านําไปปฏิบัติถ้ามีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าก็เชื่อถ้าหากว่าไม่มีผลข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับเป็นอันที่กล่าวว่าไม่เชื่อเพราะว่ายังยังไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติแต่ความจริงพระสารีพผธเป็นอาหารแล้วทั้นี้องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วต้องการจะเตือนพระธิมาใหม่ ใ่นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยินได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าพิขเวดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงดูอย่างสารีบุตรฟังอะไรจากใครเขาเล่าให้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็จงอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าเป็นของไม่จริงและไม่ดีไม่มีผลทางที่ดีก็จงไปใช้ปัญญาพิจารณาทุกอ่อน นล้วก็ลองไปพฤตงปฏิบัติดูถ้ามันไม่เป็นผลดีตามนั้นแนละ้วก็อย่าเชื่อเลยอย่างลูกหลานที่รักก็เหมือนกันถ้าใครก็ไม่ชวนกันบ่ครัว่าถ้าประเทศไทยของเราเวลานี้เต็มไปด้วยความลำบากมีความยุ่งความยากสู้มาเป็นเป็นทาตรับใช้จเจ้านายเพียงไม่กี่คนดีกว่า บุคคลจะมีฐานะเสมอกันคือจนเสมอกันเป็นคี้์ค่าเขาเสมอกันเขาบังคับบัญชาเหมือนบัวเหมือ น, น, นควายเสมอกันอยากกินก็กินได้ตามที่เขาให้อยากทำงานจะเลิกเมื่อไรก็เขาสั่งเหนื่อยหรือปว่วยไข้ไม่สบายเขาไม่ยอมให้หยุดก็หยุดไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเขาแล้วก็ลูกหลานก็อย่าเพิ่งเชื่อหลวงปู่ ลองพิจารณาดูถ้าเราถูกบังคับอย่างนั้นกับเราอยู่กับวิดามันดาพี่น้องของเราอย่างเป็นอิสระวันไหนป่วยไข้ไม่สบายเราก็พักได้ต้องการจะกินหวานล้วก็ได้หวานต้องการจะกินเปรี้ยวล้วก็ได้เปรี้ยวต้องการจะกินเค็มล้วก็ได้เค็มต้องการจะไปหาใครเพื่อนผูงที่ไหนเราก็ไปได้ แต่สำหรับลับทธินั้นจะไปจากบ้านโมนี้ไปโมโนโต้องลาเจ้าลานายก่อนเขาให้ไปเราก็ได้ไปเขาไม่ให้ไปเราก็ไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบังคับเราทั้งหมดเหมือนกับเราติดคุกติดตารางเลี้วเป็นท่าสาหรับรับใช้ลูกหลานที่รักลัทธินี้มีไม่ไใกลจากพวกเราถ้าใครทำไมา่ชนลูกคุณหลานแล้วก็คิดไม่ก่อนนะจ๊ะ คิดว่าเสียก่อนดูเชืก่อนถ้าดูไม่เห็นคิดไม่เห็นก็ถามถึงประเทศกมัมเรถึงประเทศลาวว่าเวลานี้เป็นยังไงบ้างรัตนทัทิปประเภทนี้เข้ามาถึงประเทศลาวประเทศกมัมรเราเห็นว่าทั้งลาวทั้งกมัมเรทั้งยวนใต้พากันออกนอกประเทศมีมากมายร้อยหลายพันรายต้องเรือแตกตายในกลางทะเลเพราะทนต่อการขุดขดขี่ข่มเหงไม่ไหว นี่เป็นว่าขอลูกรักทั้งลูกหลานทั้งหลายที่รักถ้าจะฟังใครเขาพูดแล้วก็ใช้ปัญญาแต่ก็ไม่ชวนจะทำอย่างนั้นก็บอกว่าเวลานี้อยู่กับพ่อแม่สบายแล้วคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ว่าจะไม่รวยแต่ท่านก็มีความรักเราก็มีอิสรภาพต่อเ น, นี่ไปขอเริ่มเรื่องขอสุวรรณสาม อวานนี้มายั่งลงตนที่ว่าท่านอส่วนถามถามว่าท่านเป็นใครหรือใครถามเนาะอ๋อเป็นอันว่าแท่งกล่าวว่าในป่านนี้ไม่เห็นมีใครที่จะมาเป็นเวงกับเราหรือว่ากับวิดามารดาของเราใครหนอยญิงเราจะซ่อนกายอยู่ทําไมอันหนึง่ง เนื้อของเราก็ไม่ใช่เป็นอาหารหนังของเราก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เข็งไหนจิงมายิงเราได้นี่ถูกรูกสอนยิงตรุจากซ้ายไปขวาแล้วนะถ้าอย่างเราก็หมดไม่ไหวถ้าท่านจะพูดต่อไปว่าท่านเป็นใครท่านเป็นบุตรใครเราจะรู้จักกับท่านได้อย่างไรท่านยิงเราแล้วทำไมยังซ่อนตัวอยู่เล่า ว, ว่านั้นไม่จบตรงตรงนี้ วันนี้ขอต่อไปเมื่อท่านสุวรรณภ า, าสามพูดจบก็ล้มพุกนิ่งลงไปแม่น่าก็จะตายฝ่ายท้าวปิระยักษราชได้สดับถ้อยคำหวานของสุวรรณสามคุ ม, มันยิ่งมาดำริว่าชายผู้นี้ถูกเรายิงล้มลงแล้วก็ไม่เห็นแสดงอาการโกรธเคืองเราไม่เห็นด่าว่าตัดพ่อเราเลยกับเรียก เราหากับเรียกหาเราได้ถ้าถ่อยคำมันอ่อนหวานน่ารักเราจะต้องสแสดงตนให้ปรากฏแล้วพระองค์ก็เสด็จประทับยืนอยู่ใกล้ๆส่วนสามกุ ม, มารนะัดตัดนะตัดว่าพ่อหนุ่มน้อยเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินแคว้นกาสีนี้ชื่อว่าป็นยักษขราช เจ้าเป็นลูกเต้าเหาใครทําไมท่านมาที่นี่ส่วนอสามก็หมายกินว่าถ้าเราจะทูลตรงว่าเราเป็นเทวดาหรือว่าเราเป็นนาคเราเป็นยักษ์เราไปกินนอนหรือว่าเราเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็คงจะเชื่อเราแต่เราก็ควรจะพูดทูลความเป็นจริงอันนี้ลูกหลานที่รัก ฟังไว้ก็คิดด้วยน่ะจ๊ะว่าการพูดจริงนะเป็นความดีว่าพระเจ้าสุนทรว่าสัจจังเวยยมตาวาจาการพูดจริงเป็นวาจาที่ไม่ตายหมายถึงความว่าคนเราถ้าเราพูดจริงมาเสมอคนที่เขาสันดับรับฟังเขาก็จะเราก็จะเป็นที่รักของเขาในเมื่อเราเป็นที่รักของคนทุกคน ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเราก็ไม่ตายทั้งนี้เพราะอะไรก็ เ, เพราะว่าเขารักเราเขาก็เลี้ยงเราเขาสงสารเขาเกลื่อนโกเราฉะนั้นลูกหลานที่รักฟังแล้วก็เอาไปคิดลองตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดูทักงสองสามเดือนไม่ว่าอะไรมันจะดีหรือมันจะชั่วที่เราไปทํามา ถ้าบิดามันดาหรือท่านผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ท่านถามแล้วตอบตามความเป็นจริงอยู่เสมอแล้วก็สังเกตดูนะจ๊ะว่าท่านจะรักเราหรือว่าท่านจะเกลียดเราถ้าถ้อ ย, อ ย, อยคอย ค, ความจริงที่เราพูดไปเป็นปใจใัจัยเกิดความรักมีผลดีแล้วก็ทำตลอดชีวิต ในชีวิตนี้ท่านชีวิตเราจะเป็นคนมีทุกน้อยที่กล่าวว่าทุกน้อยก็เพราะว่าเราจะมีคนรักเรามากความทุกข์มันก็จะมีกับเราก็คือการป่วยไข้ไม่สบายถ้าเราป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีทุกข์แต่ก็มีคนสงสารช่วยการรักษาถ้าเราแก่ลงไปร่างกายมันทําอะไรไม่ไหวมันก็เป็นทุกข์สระบรรยาก แต่ว่าก็ยังมีคนที่รักช่วยทากิจการง า, งานทุกอย่างเพื่อเราอย่างบิดามัรดาของสวรรณสามท่านเป็นคนดีเมื่อมีลูกจะมีลูกประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าคนใดมีความกตัญญูรู้คุณที่เท่าท่านเลี้ยงเราทรงข้อเราและเราตอบสนองคุณท่านด้วยความดี คนประเภทนี้องค์สมเด็จปัญญาสีชมเชยว่าเป็นคนดีอันนี้หลวงปู่คิดว่าลูกหลานที่รักทุกคนคงจะปฏิบัติตนอย่างส่วนหนสามความจริงหลวงปู่รักลูกหลานมากทาั้งๆที่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาลูกหลานแต่ทั้งกําลังพูดอยู่นี่ก็มีความรู้สึกว่าลูกหลานทุกคนมีหน้าตาแช่มชืน่น มีจิตประทนาในความดีต้องปูดดีใจเอาเล่าเรื่องกันต่อไปท่านกล่าวว่าเราควรจะทนความจริงเมื่อคิดดังนั้นแล้จะได้กราบทนว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมมิกราชคําว่าธรรมมิกราชหมายความราชาผู้ทรงธรรมนะจ๊ะจำให้ดีนะธรรมมิกราชแปลว่าพระราชาผู้ทรงธรรม ข้าพระพุทธเจ้าเป็นบทของดาบทมีชื่อว่าสุวรรณสามข้าพระพุทธเจ้าถูกพระองค์ยิงเช่เ น, ะ เ, นนะชเดียวกับมารุค่ะนั่นก็แปลว่าเนื้อนะเช่นเดียวกับมารุที่ถูกสานยิงขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูลูกศรที่เล่นทะลุจากขวาในกายของข้าพระพุทธเจ้าโลหิตไหล ที่แล่นธรุขวาซ้ายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโลหิตไหลข้าบไปทั้งตัวแม้ในปากของข้าพระพุทธเจ้าก็มีโลหิตข้าพระพุทธเจ้าต้องบ้นออกข้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลถามว่าพระองค์ทรงยิงข้าพระพุทธเจ้าได้เหตุใดธรรมดา เนื้อธรรมดานการจะยิงเสือเหลืองก็เพราะต้องการหนังเนือเสือเหลืองนะเสือมันมีสีลายลายเป็นเหลืองเหลืองสีเสือในหนังมันเหลืองขนเหลืองแต่บางทีก็มีจุดดํำและลายดำํยดำถ้าลายดําเรียกว่าเสือพายกรอนถ้าจุดดําๆเขาเรียกว่าเสือดาวถ้าเสือประเภทหนึ่งเขาเรียกเสือดําดํามิดหมีคล้ายๆสุนัขดําอันนี้ดุมาก เป็นาการค่าเสีอเหลืองก็ต้องการหนังค่าช่างก็ต้องการงาค่าพระพุทธเจ้าขอทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรในตัวค่าพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าค่ะแม้นี่หนูลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จําไม่ได้นะจ๊ะว่าสุวรรณสามทั้นเจ็บอย่างนี้ถ้านไม่มีสแสดงการความโกรธเวลาพูดออกไปก็พูดอย่างน่ารัก ใชท่านท่านบอกว่าปาสิตโบราณท่านบอกพูดดีเป็นเงินเป็นทองคนเราจะชั่วจะดีอยู่ที่ปากจะได้ยากคิ้วโหยเพราะิวหาหมายความว่าจะชั่วหรือจะดีเนี่ยอาศัยปากเป็นสำคัญท่านยังกล่าวว่าปากผลเอกเลขเเป็นโทถ้าเราพูดดีเขาก็รักเราเขาสงสารเรา นี่ว่าหิวโหยก็จะหิวโหยเพ่าะยิวหาก็หมายความว่าถ้าเขาจะเกลียดเราเราไม่มีจย ก, กินเขาปากไม่ดีฉะนั้นโบราณที่กลับดันเรีย ว, ว่าจงหวานอมขมเกลือถ้าท่านพูดหวานมาแล้วก็อมไว้ในใจเก็บความหวานของท่านไว้ที่เราได้รับฟังถ้าเขาพูดมาไม่เป็นที่ชอบใจขมเราก็ไม่สแสดงอาการความโกรธหรือว่าเกลือลงไปเสียเลย นี่ขอพูดเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชาที่มีนามว่าปิระยัตราชยิงนทสงตัดว่าพ่อสวรรณสามเราออกป่าเพื่อแสวงหาเนื้อเป็นอาหารเมื่อได้พบเนื้อที่นี่แล้วก็ดีใจไม้จะยิงเนื้อแต่ว่าพอจะยิงจเจ้าเดินมา เนื้อหนีไปหมดเราจรึงโกรธทันนี่เป็นว่าพระราชากับพูดไม่จริงเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าคนพูดจริงกับพูดไม่จริงใครดีกว่ากันสําหรับท่านสวรรคสามกุ ม, มารที่ได้กราบทูลต่อไปทันตอบทูลต่อไปทันทีว่าขอเดชะพระองค์ทรงตัดอะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าบรรดานเนื้อในป่า น, นี้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่สะดุ้งไหวกลัวข้าพระพุทธเจ้าเลยตามปกติก็ไปไหนมาไหนยทติกันเสมอเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องราชาทรงสนดับคำทูลของสวรรสามเช่นนั้นยิ่งนี้ทรงดำริว่าเรายิงสุวนรสามพวกไม่มีความผิดนั่นก็แถมเราเองก็กล่าวความเท็จออกไป คำเท็จออกไปซึ่งมันไม่เป็นการทรงคนกับเราผู้เป็นกษัตริย์เราจะบอกความจริงกับสวนนสารนี่ความรู้สึกตัวรู้หลานที่รัก <c oughs> ถ้าบังเอิญเวลาใดเราต้องการพูดความไม่จริงออกไปแล้วก็จงทําความรู้สึกเหมือนท่านประราชาพระองค์นี้หมายความว่าท่านเปรยัคราช ท่านพูดไม่จริงเมื่อสวรณสารยืนยันถ้าว่าท่านจะยืนยันบอกฉันไม่ได้ต่างยิงเธอในจะ้ะเธอก็หกก็สวรณสารก็สู้อะไรท่านไม่ได้อยู่แล้วว่าถูกยิงจากขวาทะลุซ้ายเลือดก็ไหลทั้งตัวแม้แต่หลายจะกบาดจะทําทยังไงก็ทําได้ ถ้าเป็นคนเลวเขายังไม่ต่อรอต่อเถียงดีไม่ดีเขาจะยิงซ้ำหรือก็เทืบซ้ำก็จะตายแต่ว่าพระราชาองค์นี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นเป็นพระราชาที่น่ารักเห็นว่าการพูดไม่จริงเป็นของไม่ดียิงทมเด็จ ว, ว่านี่เราไม่ดีซะแล้วนี่นะเรายิงส่วนสามพวกไม่มีความผิดแล้วก็ยังกล่าวเท็จไปออกไปด้วย ยังไม่เป็นการสมควรกับการเป็นกษัตริย์เราจะบอกความจริงแก่สุวรรณสามยังได้ทรงตรัสว่าพ่อสุวรรณสามเป็นความจริงอย่างที่เจ้าพูดเนื้อในป่า น, นี้ไม่ได้ตกใจกลัวเจ้าเราพูดให้แก่เจ้าที่เราจะต้องจริงเจ้าก็เพราะว่าความโกรธและก็ความโลภของเราเอง เออพ่อสวรรณสามเจ้าอาศัยที่ไหนอยู่กับใครและใครใช้ให้เจ้ามาตักน้ำถามนม้ตอนนี้อยางน้องปู่เองอะนะคงจะไม่ไหวนะจ๊ะถูกยิงขวาทะลุซ้ายเลือดทลักทั้งตัวหลายทั้งปากยังคุืกได้นานๆอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจา้าทรงจัด พระพุทธเจ้าทรงทําความดีมามากหลายชาติเอาหน้าของความดีเป็นปัจจัยให้มีสติสัมปชัญญะการอดกลั้นได้ดีการอ่อนหวานเป็นของดีนะลูกหลานที่รักดูสวรรณสามต่อไปว่าจะมีผลยังไงท่านสุวรรณสามกล ม, มกันกลั้นทุกเวทนาคือความเจ็บปวดมันเจ็บจริงๆลองคิดดูแล้วถูกเข็มสะกิดนิดหนึ่ง น้ำตามหน่อยหนึ่งแล้วก็เจ็บมากนี่ถูกยิงกายทะลุจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเลือดใสไ่ไหลโสมมันก็ปวดมากท่านพยายามอดกลั้นอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บปวดบ้วนโลหิตที่ไหลมาทางปากแล้วก็กล่าวพูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐบิดามันดาของข้าพระองค์ทั้งสองตาบอดทั้งสองค ถ้าพระองค์ทาหน้าที่เลี้ยงดูท่านทั้งสองขณะนี้อาศัยอยู่ในป่านโน้นท่านกลาดทูลอย่างนี้แล้วก็บ่นดำพันถึง ด, ดามาันดาว่านี่ถ้ามีความรักพ่อรักแม่จริงๆมีความกระตันยูรู้คุณจริงๆคนดีลูกหลานที่รักความดีย่อมสนองดูเรื่องราวของท่านต่อไปจำท่านไว้นะจ๊ะ แต่ใครก็บอกให้เราไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่แล้วก็จะไปเชื่อเขานะอย่าลืมว่าพ่อแม่ของเราเนะ่ยเลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะว่าท่านไม่รักเราท่านก็ไม่ปิดข้อประรงมเราท่านปล่อยเราตายเมื่อไรก็ได้เมื่อคลอดมาใหม่ๆที่บางคนก็คิดว่าบิดามารดาที่เราเกิดมาเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิด หมายความว่าท่านมีการดื่นลมในการมารมการมารมของท่านเรามาเกิดเองถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ก็ควรจะต้องตำหนิตัวเองว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการให้มาเกิดถ้าก็เสียกมาเกิดทำไมถ้าวิดามันดาถ้ามังเอิญถ้าไม่คิดว่าเราจะให้เราเกิดถ้าเราเกิดมาแล้วถ้าเขาถ้าไม่รักเราถ้าอยู่ในคันท่านแกล้งทำให้แทงแท้แล้วก็ตาย ล่าออกมาใหม่ๆถ้าไม่เลี้ยงดูเราเราก็ตายถ้าเราโตขึ้นมาแล้วถ้ า, าท่านไม่เกื้อกูนเราเราก็ไม่มีความสุขอย่างนี้เราจะเป็นคนจนหรือคนรวยกว็าตามเราก็ยังเป็นคนที่พ่อแม่ของเรารักเราอยู่ท่านอุ้มชูทุกอย่างตามฐานะถ้ากล่าวว่าพ่อแม่ตายแทนลูกได้ถ้ามีของน้อยพ่อและแม่จะไม่กินจะยอมอด จะให้โลกรักกินเพราะท่านมีความรักลกูกยินงกว่าชีวิตของท่านฉะนั้นขอลูกหลานทุกคนจงรักพ่อรักแม่นะเจ้าเพราพ่อแม่ทุกคนรักรักเธอน้าครูบาอาจารย์ก็ไม่กันจงอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์เป็นลูกแจ้งมาสอนเราเธืว่าเป็นลูกจ้งรัฐบาลไม่ใช่อย่างนั้นท่านตั้งใจเรียนวิชาความรู้ด้านวิชาครมโดยเฉพาะ ตั้งใจมาสอนพวกเราได้ความจริงใจฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายจงคิดว่าครูก็เป็นบุคคลที่สองรองลงมาจากวีดามัรดาที่เราจะต้องรักเราจะต้องเคารพเรามีความกตัญญูรู้คุณในท่านจะไม่ยอมให้ใครมาทําอันตรายท่านจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นท่านเช่นเดียวกับวิดามันดาของเราฟังเรื่องราวต่อไปนะจ๊ะ โลหลานคนรักที่รักคนดีโลหลานของลงุงโู่น่ารักทุกคนต้องปูล่รักจริงๆนะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆบานทีลงุงโูล่จะอุ้มหลานก็ได้อยากจะอุ้มหลานอยากจะกอดอยจะโโบหลานที่รักเพราะลูกหลานเป็นคนดีอย่างนี้หายากฟังคำของท่านต่อไปแทนกล่าวว่าโอนออาหารหรือว่าท่านลำพึงลำพันธ์ทึ่บิดามารดา โอนอาหารยังมีพอสําหรับบิดามารดาหรือไม่หรือไม่ก็ไม่ทราบอันนี้เก็บไว้นั้นจะมีพออยู่ได้เพียงหกวันเมื่อท่านทั้งสองกระหายน้ําก็จะไม่มีใครจักน้ําให้ท่านท่านอาจจะตายเพระไม่ได้ดื่มน้ําความทุกข์ของเราที่เราถูกยิงครั้งนี้ ยังไม่หนักเท่ากับความทุกข์ที่เราไม่เห็นบิดามารดาเห็นมะลกหลามที่รักแม้ท่านมีความกตัญญูรู้คุณจริงๆท่านเจ็บท่านยังไม่ทุกข์มากความหนักใจของท่านก็คือห่วงว่าบิดามารดาจะไม่มีน้ํำจะกินเคร่งว่าจะตายและยิ่งนึกถึงขึ้นมาว่าบิดามารดาจะร้องเรียกหาว่าพ่อสามพ่อสาม เมื่อไม่ได้ยินเสียงขานรับก็จะเศร้าโศกเสียใจแทบใจจะขาดท่านคิดว่าโอ๋หนอบีดามันดาของลกูกคงไม่เห็นหน้าลูกต่อไปแน่แล้วพอรำพันจบท่านก็ซบแนบนี่ยแนบนาบนิ่งไปพระราชาทรงพระนามว่าปิยักอาปีระยัครยคราช ได้ฟังถ้อยคํำรำพันธ์ของสัมปรนธสามเช่นนั้นจึงทรงดำริว่าชายคนนี้มีความกระตันอยู่กตเวทีตบบิดามารดาอย่างยอดเยี่ยมเมื่อได้รับทุกกรรมพันถึงบิดามารดาเราเป็นผู้ผิดคิดทำร้ายผู้มีคุณธรรมเราจะรับบำรุงบิดามารดาของชายคนนี้ ไล่จะทำให้ดีกับเท่าๆกับที่เขาเบำุงบิดามันดาของเขาแล้วจจงได้ตัปลอดบอกกับสวรณสามว่าพ่อสวรณสามเธอจะรอ้องไห้ไปเลยเราจะรับเลี่ยงบิดามันดาของเจ้าให้เหมือนกับที่เจ้าปฏิบัติมาเราขอทราบว่าบิดามันดาของเจ้าเวลานี้อยู่ที่ไหนเวลาเล็กนึงนาทีพอนะจ๊ะ สวรรค์สามกุ ม, มารดีใจยังกล่าบทนว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาโปรดเรื่องบิดามัรดาของข้าพธเจ้าดิเถิดบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าอยู่จากนี้ไปไม่ไกลนักประมันกึ่งเสียงโกเสียงโกก็โกอู้มันดินยา ว, ยาว แล้ไม่ถึงก็สุดเสียงระไม่ครึ่งหนึ่งก็ถึงขอเชิญพ <ไป S 1> ระองค์เสด็จไปเถิดพระเจ้าค่าาโะโตหลานที่รักและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมองดูเวลาและเวลาครึ่งนาทีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไมาได้อะไรสำหรับวันนี้ก็จะต้องขอลาแล้วก่อนจะลาก็ขอทนานหลายจงประสบแต่ความสักดิสิิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ลผล ในจงเจริญไปด้วยเจอตุรพิธาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขาพะละและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี